ท่านผู้ รู้สึกว่าดูเหมือนว่าท่านไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ <c oughs> ท่านพระยศก็บรรลุพระ อานิเบรยท่านได้บรรลุมรรคผลเร็วขึ้นไป แล้ว 55 คนเข้ามาพบองค์สมเด็จพระ ว่าทำไมหนอท่านทั้งนาคาอรหัตตผล อันนี้ก็ขอ ก็มักจะตีความหมายว่าธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรผิดราช เป็นพระอริยเจ้าในศาสนาขององค์สมเด็จ ความยากมันจะหนักขึ้นเฮ้ยเรา เรื่องราวของท่านมีอย่างนี้คือว่าในกาลครั้งหนึ่งมะองค์สมเด็จพระภควันบริมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงๆและการไปอย่างนั้น อันนี้เพราะไร้รู้ว่าถ้าไปในที่เดียวกันพร้อมกันแล้วก็รู้คือพระอรหันต์อย่างน้อยฉะนั้นองค์ เมื่อรถส่งแยกทางกันไปแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็อยู่พระองค์เดียวในตอนเวลาราตรีตอนช้ามืดปรากฏว่าองค์สมเด็จพระหนอที่นี่หนอ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ายัสสะเธอจงมาที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องพอ มั่งมีทรัพย์มากมีบ้านสําหรับอยู่ใน 3 ฤดูกาลทั้งว่าเป็นสันดานของคนดีทั้งทั้งได้ไม่เคยรู้จักพระคือองค์สมเด็จพระชินสีห์มาก่อนเพราะว่าพระในคราวนั้นเป็นครั้งแรกกี่วันด้วยความเป็นผู้มีวัฒนธรรมคือความดีสูง เรเรานั่งอยู่ข้างหน้าขององค์ ถ้าเป็นมัคนบรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าเทศน์ไม่มี ไม่ทำที่รักษาสาเทศกันนี่พระ เวลาเทศก็ไม่ได้แสดงสักศรีว่าองค์สมเด็จพระมหา องค์สมเด็จพระอาทิตย์แก้วเวลาเทศก็เทศแบบล้างกิเลสพระฤาษีเหล่านี้ก็อมตองค์ ช่วยกันให้มีกิเลสมากขึ้นเพราะว่าผู้เทศน์ไม่มีกิเลสท่านก็วางกิเลสทิ้งแล้วฟังเทศน์ อ่าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงรู้เรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเทศน์ ในตอนนั้นเมื่อมี 5 อย่างข้อ 1 พรรณนาอนิสงส์ของทางการ เพราะนี้ธรรมสมเด็จเทศอานิสงส์ของศีลเพราะการรักษาศีลนี้เป็นความดีเป็นเหตุกักกั้นสกาย พระ พระข้ออดีตเสียองค์สมเด็จพระ คำว่าไม่จบเกมก็หมายความว่าต้องมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็ความหวงใหยซึ่งกันและกันว่าในขัมมะ อย่างนี้เราจะเข้าถึงความสุขคือค่าคือพ้นจากความวุ่นวายพ้นจากความขัดข้องเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศน์จึง นินดาก็ไปตามในทิศ จงคลมนั้นเดินไปเดินหนออย่างหนอไม่ใช่ยกๆอย่างๆเดินธรรมดาธรรมดาจงคลมเมื่อย พ่อของประยุทธ์เดินเข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเข้ายังไม่รู้จักว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นการบรรลุครั้งแรกแต่พระพุทธเจ้าทรงบันดาลให้พ่อลูกไม่เห็นกันด้วยอํานาจของฤทธิ์เมื่อท่านบันดิตคือผู้เป็นพ่อเห็นพระพุทธเจ้าจึงถามว่าท่านอยู่สถานที่นี้เห็นลูกชายของเราเดินผ่านมา อ๋อสมเด็จพระบรมสุคตจึงกล่าวว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญ ถ้าตกอยู่ในข่ายพญาณแล้วๆสําหรับประโยชน์ 2 ท่านตกอยู่ในข่ายพญาณ อ่าความจริงจะเรียกว่าผิดปกติก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปกติขององค์สมเด็จพระ ฟังอนุปริคถาซ้ําก็ปรากฏว่าได้บรรลุอรหัตตผลองค์สมเด็จพระทศพลจึงได้คลาย พระยศเป็นบัณฑิตแล้วจึงได้มองดูองค์สมเด็จพระ เพราะว่าเป็นบุญของพระอยศถ้าจะนั่งทาบพระพุทธเจ้าขอนิมนต์พระองค์กับพระอยศทั้ง 2 ท่านเทรับพัฏฐาหาร หลังจากโกกปณีบ้านมัชฌันพตาหารเสร็จพระพุทธเจ้าเทศอีกครั้งมนดา 55 คนได้ฟัง อีกการที่ประยศจะพบพระพุทธเจ้าคนเล่าย้อนไปอีกนิด มีหนองครานสําหรับปฏิบัติทรนเปลือ ชาวสังฆะนั้นเอมเปี่ยมใจเสียเหลือเกินแต่ ประยุทธ์มองดูบรรดาสาวแสงกำนันในที่เป็นเมียเล็กบ้างเมียใหญ่บ้างเมียประจำว่าที่หนอที่นี่ขัดข้องหนอ ฟังทั้ง 2 เป็นพระ เมื่อในสมัยก่อนถอยหลังไปใน 55 คนเป็นสัปปฤสาธารณะคําว่าสัปปฤ แต่ว่าๆที่ก็มีเมรุแล้วก็ เกี่ยวอยู่อย่างเดียวคือว่าถ้าคณะใดๆทํา ต่อมาภายหลังวันหนึ่งปรากฏว่าคณะของ อาจทูลบรรดาคณะสัปพลเถรผู้ใจแกล้วผู้มี กล่าวว่าฟืนเพียงเท่านี้ก็สามารถจะ แผลสดใหม่ๆจริงๆเพราะสบอมอิ่มไปด้วยน้ําจะเล็ด ประยุทธ์พิจารณาไปแล้วก็ เมื่อมองดูเพียงได้ความเบื่อหน่ายเห็นว่าร่างกายสุขภาพมันก็ รอบๆพระคร่อกายก็ไม่ต่างกับกายพระคร่อถุงอูจาระคือข้างในคล้ายอูจาระมันสกปรกมันเน่าเละเทะไปหมดทําให้จิต <c oughs> ให้คนทุกคนมานั่งพิจารณาดูซากศพของสตรีหญิงสาวสวยแต่มีท้องมันด้วยคือมีบุตรในครรภ์ว่าสิ่ง เพราะไร้เพราะว่าหน้าที่ของสามีหน้าที่ของบรรยายังปฏิบัติกันตามปกติแต่ว่าจิตใจนี้จะมีความ ไอ้คนเดินไปเดินๆไหลลงมาท่านมองหน้าผู้หญิง เกิดในมุขังณนิมิตตาจากความเป็นมนุษย์จึงเนี่ยบรรดาท่าน อาเมตสัยนิธาห Leben เขียพบมาก่อนจากนั้นเพื่อประพุทธิมพริษฐ์เจ้าทร Pascal became naturale Кายยิงตัวถึงบ้าขอบทธิมพริษฐ์ ที่เกินก là นะ Xingisesti allemaal Events และก็ค่าด้วยต่อชตรงกาง feld entonces�로 5 arrowhead看 que hay otra ladies worth it out of grammar self listening to Kég bien wh faculty pushing down to their feelings of God along's heart laughing clothes and the coach who knew that so that's what's wrong Из-Baharors from Kweg qué Julia นี่องค์สมเด็จพระชินสีมักเพราะว่าพระองค์ทรงนับจึงเป็นปัจจัยให้พระยศและบรรดาสหายพร้อมไม่ได้บิดามารดาปัญญาสมเด็จอรหัตตบุคคลในตอนต้นก็เป็นประโสนดาบรรแบบง่ายๆนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ก็เพื่อท่าน แต่เราไม่สามารถจะเข้านิพพานในชาติ ฌานกาลเข้าถึงนิพพานนี้เป็นของไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเรามีความฉลาดเราก็จําเอาไว้ว่า แล้วก็พยายามดูว่าอย่างไหน โยม